รูปมันเป็นอย่างนี้นามมันเป็นอย่างนี้สมุดมันเป็นอย่างนี้บัญญัดมันเป็นอย่างนี้ปรลมัดมันเป็นอย่างนี้เน่ยมันนีมันถูกมันเป็นสากกเป็นสากคนขอบความถูกต้องเป็นสาคนของความไม่ถูกต้องเป็นสากคนของความไม่ถูกต้องเอาไปเอามาอันเดียวกันขึ่นอ้าวพ่อพดด้วงโมันเป็นสากคนของอกุสล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 เอาข้างความรู้สึกตัวทุกโอกาสทุกสถานการณ์นะปฏิบัติธรรมอ่ามาเล e ็กอกบอเนี enfin ่ยกรบพรพอครับอะาหังสัมาสะโดโดภะะวะภูตังภะตะวันตังอะิลาเอ๋ยจวะขโตภะคะวะตัณโมอะมะมะสะ วันนู้นวันนี้